<c oughs> <c oughs> อา่าทำกันเรามีงานทำมีอาชีพเหมือนกับชาวนาทํามีอาชีพตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนา เธอค่ำก็ไม่อยากให้มันค่ำมันสนุกก็เอาไล่ก็เป็นกันตื่นเวลาก็คิดจะไปไล่เขาก็ขยันจริงๆไปเล่ยแบจับสอจับเตียมโผลมันโผลอ้อยตามนัม่นแหละปัจจในการทำ เหนเหนื่อยเมื่อยงอะงะเหนือไหลไคยย่อยก็ยังดียังขยันอยู่มันค่ำก็ไม่อยากจะกลับบ้านขอค่าแม่ขายประมาณกันโดยโอกาส <c oughs> ขยันทำองค์อาหารทำสิทธิค่าอันนั้นอนนี้ไปไหนก็ช่วยโอกาสดู นั่งรถมาเห็นแตงกองอยู่ตามหนทาง3ามกิโลเท่าไหร่เพื่อเราซื้อเท่านี้เราจะไปขายเท่านี้วางทีพวกไปกรุงเทพส่งคนที่ถ้ามา่อนีเราก็ซื้อมาไปกิโลละสิบบาทขายที่กรุงเทพกิโลละยี่สิบบาทแต่ถ้าเขาช่วยโอกาส ทำหน้าที่ของเขาพวกเรานอกปฏิบัตินี่ก็ให้เหมือนชาวไร่ชาวนาช่วยโอกาสขยันทางานทำการแย่นงไรอย่างไรก็เห็นใจเห็นใจวัดสุขโตบางปึกษาสร้างวัดสร้างวา ส, า, งาสร้างคติสร้างศาลาทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้พวกเราได้มโอกาสปฏิบัติ ถ้าสร้างแล้วไม่มีใครมาอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์ขอให้มาพากันมาปฏิบัติมาแล้วก็ทำงานทำการเหมือนเราเป็นอาชีพอะไรยู่เฉยๆท่าน่างนั้นจริงๆนะสมัยหลงพ่อไปปฏิบัติการหลวงปู่เทียนเนี่ยสืนขึนมาเร่ เดินเข้าไปสู่ทาเดินจงกรมกับสมัยไปที่แรกนนอนอยู่ด้วยกันไม่มีก ต, ติอยู่ไอ้สาพระคืนสองคืนที่แรกนะก็จะสร้างกระเจอะอยู่ได้ก็ต้องหลายวันนอนกับพระตืะ่นขึ้นมาเรียกพอไปเดินอยู่ผมในมีเตียงมีมานั่งกในป่า พือมันจะสว่างพอเห็นได้ยินเสียงน้ำค้างหลวนลงมาป๊อกป๊อกตีสองตี ส, สเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนาฬิกานะมังเลยเนี่ยน้ำค้างตกลงจากอากาศลงใส่ใบตองใบตองตกลงใส่ใบตองเยียงนัง้นป๊อกๆ๊อก ถ้าได้ยินเสียงน้ำค้างตกก่อนรีบลุกขึ้นแต่แต่วันไหนไม่เห็นสแสงตะเกียงใครเลยโอ้แล้วเราเนี่มีิเราคนเดียวเดินจงกรมย้ยยอยย้อแต่ถ้าวันไหนเห็นสแสงตะเกียงของกตินนท์กตินี่อ่านน้ำค้างสลัวสลัวน้ำค้างหมดเลยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ าสามโมงเช้ารถจันติดไฟไปค่อย ค, อยคานไปึ้นวิ่งไม่ได้มันมันหมอกมันมืดนัแสงแต่เกียงในผ่านน้าข้างเราดูผ่านป่าผ่านอ่าอากาศไปแสงแต่เกียงมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนทุกวันนี้ถ้าวันไหนเห็นแสงแตะเกียงของเพื่อนของพระของโคบ้าอาจารย์โอ้วันนเรา ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะอ่าล้วก็พยายามที่จะลุกก่อนเพื่อนบางทีก็เหนื่อยเหมือกันเหมันกับชาวนาเนีน่ยเวลาทา ง, งานทำ ง, งานกลับมานอนกมเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเวลาลรกก็ต้องเช้นตัวยังขึ้นเกาะฝาขึ้นจับจอบจกจับเสียงปวดข้อปวดแขนอม ก็ะาลุกขึ้นมาขี่ควยไปดาก็ง่วงนอนบางทีตกหลําหวยแล้วอันนั่นก็ยังสนุกนะไม่ใช่ถือว่าทุกข์นะสนุกไีควยไถนาในบางทีก็นั่งเดินหลับไปกับจับงอนไถเลยก็มันก็สนุกเวลากลับมาบ้านเวลาจะนอนบอกแม่แม่แม่แม ปกผมตั <de leg ante> a a ้งแต่ดึกๆแล้วอ่าค่นปล่อยเรามันก็เจ็บเหมือนกันเนาะเราก็ได้ยินเสียงใครเสียงขิดเสียงขอใครเสียงควยเตือนลุยคนลุยต้นนั้นว่าเปละปละปละปละปล่อยเราก็เรียบเจ้าของหัวหัวมันมันมันหยาบมันอยากไปตางแล้วก็ลอนต้นเสาขึ้นเก่อขึ้นเออแม่บอกเฮ้ ลุกลุกคาคอยมันนิ่งอยู่นั่นหนอมันอยากไปนาแล้วเลยคอยโอ้ยเป็นใจกันแล้วตีตลิ่มคอยออกมาป้ายขึ้นขีรังไปลิ่มออเลยเอาให้ทันเขาเขาออกก่อนเมื่อไหรมันจะดงไป ส, ส, สุดสุดสุดสุดไปจนทันคอยที่ออกก่อนถ้ไปทางนาเดียวกันมันก็เปลนใจ ไปไถนาถ้าวันไหนอ่าเห็นแสงเงินแสงทองเน่ะโอ้ยใจไม่ค่อยดีแต่ถ้าวันไหนยังมืดอยู่ไถนาน่ยโอ้เขาไถไปแล้วโลง่งหม่งานไปแล้วนาข้างเคียงเขาจึงค่อยไปโอ้เราสบายแต่ถ้าวันไหนเขาไปก่อนเราเนี่ยโอ้คนนั้นเราจะว่าบกบคล่องแล้วเกิด <c oughs> นี่อาชีพชาวนาน อาชีพดักปฏิบัติก็มีนิสเหมือนน้อนงกัน้ก็ตุ่นหลังเพื่อนอะไรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเสียงรองเท้ารองกรเทียนเดินต๊าต๊าะเต๊เกรเทียนก็เดินจังกลมนะตอนนั้นรองกรเทียนได้เยอะหกสิบกว่าปีนี่ยังเดินจนงกรมเตต๊าตาต มันก็ต้องพอสมควรนะปฏิบัติทำนะไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่ขีเกียจเราก็หยุดขยันเราก็ทำใช่ไนหะให้ศรัทธาให้มีความเพียรจริงๆกระตือรือร่นนะกระตือรือร่นแบบ <c oughs> คนเกลียดขันนะ้นหาทรัพย์ได้ยากคนขยันหาทรัพย์ได้ง่าย สักของเราก็คือสติเนี่ยถ้าเกียรตข้ามมันจะได้ยังไงอ่าก็ขยันมันจึงจะได้มันจึงจะมีมากไม่เ ย, ยนะทุกคำบัญญัติติดพมเทียนเพิ่ที่จะทําให้เราล่วงพุนทุกไปได้ไม่ใช่ไปอิงอะไรอ่อนบอนไม่ใช่หรใครก็ช่วยเราไม่ได้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 ทกขอทก้องทุกหลังทุกหลังอ่าไหวไหมไอ้สัตว์ทำครัวไวหไวเนาะอ่าพว่เราสู้สู่อ่อาทําครัวฮะแต่ว่าเหนื่อยนะเพิ่มขีเพว่มาสิกานี่น่าเห็นใจเหมือนกันอย่าถ้าเราไปบัดกันนะเหนื่อยบ้างก็อดเอา่าบางทีก็ เป็นพระไม่ทําก็ัวอยพระสบายแท้อยากเป็นพระเอยากเป็นลูกชายแล้วอย่าไปคิดแค่นั้นอาจจะเป็นกบโรคประสาท <c oughs> อยากฟังเนื้อหเรื่องกบโรคประสาทไหยที่ทําอยู่เคยได้ยินบ้างนะไม่เคยได้ยินแต่ไหนบอก่เมื่อเคยได้ยินจะพูดให้ฟังจะเล่าให้ฟัง มกบตัวหนึ่งมันจุดใต้บันไดของของพระมันก็เห็นพระไปเวนธบาทเินทบาทได้ข้าวได้อาหารกลับมาอาหารเยอะแยะกบตัวของเป็นพระนี่ดียว้ไม่ต้องทำมาหากินถือบาทไป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 ก็แบ่งให้เด็กเน้นต้องฉันที่หลังนะทำไมก่อนะสไมหลวพ่อเป็นเน้นต้องฉันที่หลังพระนะจังวัดนครบาลผู้เขียวนะวัดอ๋ออรอะไรู้เขียวเ่ยพระต้องฉันก่อนเลยเนนก็ตั้งน้องรอพอพระฉันเสร็จเราก็ยกมาให้เด็กเน้นก็โลกไปมันก็มันก็โยนไปรับเศษพระยกออกมาว่าฉันกัน เอากบตัวนั้นก็ไปเห็นเนรโอเนรไม่บิ็นทวากรก็ได้กินเหมือนกันอาหารเยอะแยะไปหมดเลยพระสู้เนรไม่ได้พไปเป็นทบาดอยู่เนรไม่เป็นทบาด ก, ก็ได้กินมันก็อ่าวกบตัวนั่นก็ฝันไปอยากเป็นเ น, นรทีแรกก็อยากเป็นพระนะพอเนรฉันเป็นทวารเสร็จเอาข้าวไปให้หมา กองให้หมากองใหญ่หมาไปกินเอากระ ป, ป๋ไปเช็เรอยอยากเป็นหมาดิหมาสบายเลยเน้นต้องยกไปให้อาพอหมากินแล้วหมาก็ถูกเน้นไล่ตีมัน มันกินไลยเดี่ยวหน่อยเนนก็เตะหมาจ้องเองนไปเลยโอ้ยแต่ว่าหมา ด, ดีกว่าเนนเอเนนดีกว่าหมาหละต้องชนะต้องชนะหมาหลนะเนกลับมาจะเป็นเนนดีกว่าเห็นเนนเ น, น, เ น, น้อยก็เลยไปนอนเนนน้อยก็เลยไปนอนพอไปนอนในวันมันตอมใวันตอมนนน้อยนนน้อยก็จับผ้าไล่แมงวัน เมื่อก่าจะเป็นทุกข์เดี๋ยวก็มาเกาะหน้าเดี๋ยวก็มาเก า, าะ้าเน้นหน่อยก็ไล่แมงวันอยู่นะต้องลุกไล่แมงวันกบตัวนั้นก็คิดว่าโอ้แมงวันดีกว่าเนนเนนยังกลัวแมงวันเลยพอกบตัวนั้นคิดไปเอออยากเป็นแมงวันแมงวันมันดีกว่าเนนเนนต้องยอมแมงวันออกไปมากบตัวนั้นกน็น อ, กนอนอยู่ใต้บันได แมงวันตัวหนึ่งไปกบ ป, ปากกบแมงกบก็แลบลิ้นจับแมงวันกินปับ๊บทันทีโอ้มันก็สู่กบไม่ได้นใช่ไหมที่ทางอยู่เอาไปว่าสู่กบอะไรกันเนาะเป็นกบนั่นแหละดีที่แรก็อยากเป็นพระอยากเป็นเมรอยากเป็นหมาอืมอะไรเราก็เออเป็นกบก็ดี อไม่ยากเลยเน้นยังกลัวแมงวันเลยเราแมงวันมาก็ก็แผลลิ้นตับ๊บตีเดียวจับแมงวันวกินอะไรว่ากบโรคประสาทเออเราเป็นโรคภระาทเหมือนกบหรือเปล่าให้ปฏิบัติแล้กวก็คิดโน่นคิดนี้ไปโน่นไปนี่คิดทังโลกคิดทังร้านคิดทั้งบ้านคิดทังช่องนะหลุดไปแล้วไปเป็นอะไรบ้างหลายพกหลายชาติ ไปเป็นผัวไปเป็นเมียการหนมก็อยากมีเมียว่าจิการหนุ่มก็อยากมีผัวคิดไปหลายอย่างหลายอยันไปไหนถ้าจะเปรียบก็เหมือนปัสสาวะก็แบบกบโลกปัสสะเราก็จะเป็นเหมือนกบไม่ได้แนละ้วต้องกลับมาเป็นนักปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะนี่แหละดีที่สุดแล้ว รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยนี่แหละดีที่สุดเป็นยอดแล้วเป็นยอดของชีวิตแล้วถ้าเราเลยสร้างความรู้สึกตัว เ, เป็นอริยสัพอันปสิตที่สุดพระพุทธเจ้าก็ททำอย่างนี้ทำอย่างนี้เรียกว่าจเจริศสติปัฏ ฐ, ฐานสี่เนี่ย ข่าขอให้ใช่วัดป่าสกุลโตเพื่อการนี่โดยตรงอย่าเพื่ออืนอ่นอย่าเพื่ออืนอ่นให้มีเวลาปฏิบัติบางทีทำวัดเชา้าทำวัดเย็นก็อย่าทำแต่เพียงเป็นพธิธีลำดับลำนำจิตใส่ใจตามเราก็สาธยายทำให้เราฟัง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 ให้ให้มันเดินไปถ้าไม่เดินไปมันก็ไม่ได้ตามไปฮึมไปว่าเบาๆไปผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรอัดว่าทำเขาไปด้วยว่าไม่ได้ก็ว่าผิดว่าถูกแค่นั้นมันผิดตอนไหนก็นเปลี่ยนถูกไปกับเสียงผู้นา ข, ของของพวกเราไม่ผู้นาอยู่ทำไปมามันก็ได้ บางทีราอะน้อโมตัดสาเพราะเขาก็โตหอนอกน้อมโอ้นอโ้โ ม, โมนี่คือกดนอกน้อมวันในเทศโจ์สองธรรมะ ก, กับเจ้าคณะอําเภอแย่งขอ้อท่านเป็นคนถามท่านถามว่าคนต้องการมหานิยมต้องการความดีต้องการอยาก เป็นคนดีต้องการให้มีคนรักคนนักถืออย่างหลวงพอ่อทำไมจึงมีคนไม่หมดไปต่างประเทศทำไมจึงไม่ทม่านมาช่วงหนึ่งมาเห็นพวกคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมท่านบอกโอ้พึงเห็นเองคนหูหนวกมาปฏิบัติธรรมทำไมเขาจึงมาปฏิบัติธรรมเ ท, ท่นี่หลวงพ่อมีดีอะไรเขาจึง ถามมาปฏิบัธรทมที่นี่หลวงพ่อก็ตอบว่าไม่ดีอะไรหลวงพ่อว่ามีดีแหละเอาเอามาจากไหนเอามาจากพระพุทธเจ้าว่ายังไงคาถาดีๆจกได้ไหมพวกเราจะาได้คาถาดีไหมก <c oughs> ็บอกว่านโมตสัพกวาโต คือรู้จับก่อนน้อมนอบน้อมอย่าเยอะยิ่งอย่าขี้โทษโสมโหอย่าบุดตึ่งตึงเครียดให้นอบน้อมทางใจทางกายกอนเอาไว้ใจกอเอาไว้ใครจะว่าอะไรก็แพ้ไว้อย่าไปเอาชนะใ่น้อมไว้กอนไว้นอบน้อมทำจริงๆอันนี้ก็พูดเล่นๆไปนะ อาราฮโตก็ไกลจากความชั่วให้บริสุทธิ์บ้างถ้ามีความชั่วความทุศีลมันก็ม่มีเสน่ผู้มีศีลต้ององค์อาจทุกเวลาทุกสถานไม่ไม่มีผมด้วยคนไม่ศีลสงการาศีอตลอดเวลาอาราฮโตไกลาจากความชั่วบ้างมีอะไรที่มีความยกมือไหว้ตัวเองได้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 เ ร, เรียกว่านโมตสัพพกวตโตแล้วโตสามารถมั้งก็ตอบได้เล่นไปทำนองนี่แหละก็ไม่รู้ว่าถามอะไรน่าจะถามดีกนันเพราะเราเนี่ยเราว่าสวดม น, น่ะนโมตสัพพกวตโตขอนอดน้อโมโตาพระผูีพระพ่อเจ้าพระองค์นั่นขอนอบน้อมเขาลบพระพุทธเจ้า ศรัทธามากศ ส, าากสัทธาพระุทธเจ้าศรัทธาต่อศีลต่อทองศรัทธาต่อการจาเจริญเสต็โอ้ยไม่มีขอ้อเข็ไม่ถอยหลังนะนะโมตทสสะพวะโตนะไม่เหินถามนะในแต่เวลาใดที่ม <c oughs> ีปัญหาในการปฏิบัติก็คิดถึงพระพุทธเจ้า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 มีสติตัวกายกายานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธ้าสอนไปแล้วไม่ต้องไปคิดหาทางไหนอีกเวทนานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วกิจตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วเลยไม่ยากนวกจากนี่ไปเราก็ไม่ออก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนีแล้วก็ทําในใจไว้อย่างนี้แต่ไปเห็นในมิติอื่นๆก็ไม่ออา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 วันนี้ก็ไม่พูนมากตัวนอ้องอ่ยายอดโยมก็มาถึงวันนี้เนาะก็มามาเมื่อไรมาวันนี้นะอืมอ่า อ, อยู่ดีไม่ถูกด้ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องมาขอสุกโตเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตมาได้เลยถ้ามีกติอยู่ก็อยู่ได้เลยถ้าไม่มีกติก็ซ่อนกันไปน้องล ผลสองคนไม่ที่อยู่หรือยังนะอ่าเขาก็กำลังทำไฟทำน้ำอยู่อันนี้เราก็ก็ขยันมันกันรีบคำนวณจะต้องทำวันนี้ให้เสร็จนะจะต้องผมต้องไม่ต้องให้เสร็จวันนี้เสร็จจริงๆนะเสร็จจริงๆ ตั้งใจไว้ตรงไหนก็สําเร็จจริงๆพอเลิกงานปั๊โยอมขับรถมาพอดีเลยเออดีเหมือนกันถ้าโยอมมาเห็นหลวงพ่อขุดดินอยู่กูก็ไม่ไหวนะอก็เลยที่จริงนะ่ะไอมันเกนอายโยอมมันเกิด น, นะอ้าวถ้าโยอมมาเห็นทํางานนะเออหลวงพ่อกขเป็นพระ ก, กรรมกรบางกันนะบางทีเขเป็นพระกรรมฐานบางทีก็เป็นพระกรรมกรบาง ก, า ก, า ก, กันนะอ้า เอามากันลนะ่ะไม่กลัวนานไม่กลัวเพราะว่านานอ๋อวันนี้พวกเรา ก, กล่าวพระพ่องกันเรางสมัยสมบรไปวะพระันวะเทวะธรรมะทีวาเพื<ณ>่อโตใหเทวะแก เ o ็นโอโอ c อโอโอโอโอโ